แนะนำบทอัลอัมบิยะบทนี้เป็นบทมักกียะมีหนึ่งร้อยสิบสององค์การที่ประมวลไว้ด้วยปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการศรัทธาในอิสลามในขอบเขตที่จำกัดที่สำคัญสคัญเช่นศาสนาจากพระพุทนเจ้าความเป็เกภาพการฟื้นคืน้นชีพและการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงวันอวสานและความโกลาหลของมัน ความน่าสะพรึงกลัวของวันนั้นและได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานับีที่ถูกส่งมาบทนี้เริ่มกล่าวถึงการหลงลืมของมนุษย์ต่อวันกิยามะการสอบสวนและการตอบแทนทั้งๆ ท, ท, ที่วันกิยามะเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พวกเขาแต่มนุษย์อยู่ในสภาพที่ไม่นำพาต่อวันนั้นทั้งนี้เพราะความย่วยวนของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ทําให้เขาหลงลืมวันแห่งการสอบสวนที่กําลังรอคอยเขาอยู่ ต่อมาได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งที่พวกเขาได้พบเห็นการจบชีวิตของประช า, ชาชาติในอดีตแต่พวกเขาก็ไม่ยึดถือเป็นบทเรียนเพื่อไข้ควรจนกระทั่งเมื่อการลงทั่วได้มาถึงตัวอย่างกระทำ น, นั้นพวกเขาก็ขู่ร้องตะโปนขอความช่วยเหลือแต่ดท ว, ว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆเพื่อเตือนให้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง พระผู้ทรงจัดเตรี่ยมพระผู้ทรงปริชาญในการให้กำเนิดและประดิษฐ์ขึ้นอย่างยอดเยี่ยมเพื่อมีความสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นเอกภาพของจักรวาลและความเป็นเอกภาพของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่หลังจากได้กล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ต่างๆที่ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของพวกบูชาจเวดเมื่อพวกเขาพบกับทารุสุนสลลลอ้อเงลวัสลัง ด้วยการเย่อหยันเหยียดหยามและปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งในการลงโทษโดยการทำลายผู้ฝ่าฝืนผู้ดื้อรั้นบทนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของบรรดาศาสนทูตบางท่านโดยกล่าวถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลากับท่าทีของประชาชาติของท่านที่ยาวพอสมควรด้วยจำนวนที่น่าตื่นเต้นเพียบพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมสารภาพด้วยความพ่ายแพ้และยอมจำนนเรื่องราวของนบีอิบรอฮิมเป็นข้อควรคิดและเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนาทูตเช่นอิสหะยาคูลูดนดูด์าวุตสุไลยมานอยุบอิสมานอิเดริดสุลกเฟีซุนนูนยากริยาและอีสซาโดยสังเกตพร้อมกับได้บรรยายถึงเหตุการณ์ ที่น่าตื่นเต้นหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับบรรดาศาสนทูตบทนี้ได้จบลงด้วยการแจ้งถึงการส่งสาศาสนทูตคนสุดท้ายก็เพื่อความเอ็นดูเมตตาแก่มนุษยชาติชื่อของบทบทอัลอัมบียะถูกเรียกชื่อนี้เพระเาะอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงสง่งทรงกล่าวถึงบรรดาศาสดาจำนวนหนึ่งบางครั้งกล่าวถึงโดยสังเขปและบางครั้งกล่าวโดยละเอียดพร้อมกับกล่าวถึงการเสียสละการอดทน และการต่อสู้ในทางของล้อของบรรดาศาสดาเหล่านั้นรวมั้งการเสียสละของพวกเขาในการเผยแพร่ศาสนาเพื่อความสันิสุขของมนุษยชาติด้วยพระนามของล้อผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอด้วยพระนามของล้อผู้ทรงปรุนาผู้ทรงเมตตาเสมอ เวลาการสอบสวนมนุษย์ใกล้เข้ามาแล้วโดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพหลงหลืมเป็นผู้ผิลหลังให้ไม่มีข้อตักเตือนใหม่ๆจากพระพวกมิบาลของพวกเขามาอย่างพวกเขา เแต่ว่าพวกเขารับฟังมันและพวกเขาล้อเล่นไปด้วยละทั้ใจของพวกเขาและซาน์นจละผู้ที่ระทำวามชั่วแะซาฟน์นจ์ละผู้ที่กมะนอจรยตมใช่อนอพวกเขาเล่นร บรรดาผววู้ทำต่างกระซิบกระซาบระหว่างกันว่าเขามโมัดนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงพวกเจ้าพวกเจ้าจะยอมรับมายาคนทั้งๆ ท, ที่พวกเจ้าเห็นว่ามันเป็นมายาคลกระนั้นหรือเขาโ ม, มัดกล่าวว่า พระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ทุกคำพูดทั้งในชั้นฟ้ า, าและผ่นินและพระองค์เป็นผูนท้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้แต่ถ้าว่าพวกเขากล่าวว่า มันเป็นความฝันที่สับสนหากแต่ว่าพวกเขาได้เสกสรรปั้นแต่งมันขึ้นหากแต่ว่าเขาเป็นกวีถ้าเช่นนั้นให้เขานำหลักฐานหนึ่งมาสแสดงแก่เราเช่นเดียวกับบุคคลในยุกคก่อนๆได้ถูกส่งมามานิ ไม่มีชาวเมืองใดก่อนหน้าพวกเขาพวกบูชาชจเวตมักกะซึ่งเราได้ทำลายมันในเมืองนั้นได้สถัทาแล้วพวกเขาพวกบูชาชจเวตจะศรัทธากันนั้นหรือ และเราไม่ได้สง่งผู้ใดามาก่อนห้าเจ้านอกจากเป็นเพศชายซึ่งเราประธานองค์การแก่พวกเขาเดังนั้นพวกเจ้าชาวมักกาจงถามบรรดาผู้รู้เถิดหากพวกเจ้าไม่รู้และเราไม่ได้ทำให้พวกเขาบรรดานับดบีมีร่างกายที่ไม่ต้องการอาหาร เช่นมาเลย์กาและพวกเขาไม่ได้เป็นผู้มีชีวิตยั่งยืนเป็นอมะตมะถ้าเราได้ทำสัญญาเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและเราได้พวกเขารอดพ้น และผู้ที่เราประสงค์และเราได้ทำลายผู้ละเมิดฝ่ฟาฝฟืนเราขอสาบานว่าแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์อลัลกรุรอานลงมาอย่างพวกเจ้าในนั้นมีข้อเตือนสติแก่พวกเจ้า พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาคิดบ้างดอกหรือและจีนมากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายหมู่บ้านที่อาถรร และเราได้ให้กลุ่มชนอื่นเกิดขึ้นมาแทนที่หลังจากนั้นเมื่อพวกเขารู้สึกว่าการลงโทษของเราเกิดขึ้นแล้ว พวกเขาจึงวิ่งหนีออกไปมาเลย์กล้าพูดกับพวกนั้นว่าพวกเจ้าอย่าวิ่งหนีสิและจงกลับไปยังสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความสำราญและยังที่พักของพวกเจ้าเพราะว่าพวกเจ้าจะได้ถูกสอบถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พูกเจ้า พวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่เกิดขึ้นกับเราแท้จริงเรานั้นเป็นผู้อธรรรพ์ไม่ทันที่คำพูดของพวกเขาจะสิ้นสุดลงเราก็ได้ทำลายพวกเขาเป็นเสมือนพืชที่ถูกเก็บเกี่ยวมอดไหม้ไป أ أ และเราไม่ได้สร้างฟ้าและแันบินตลอดจนสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างไรประโยชน์ลลหวลตนหุอิุหากเราปราถนาที่จะเอาเป็นเคื่องเล่น เราก็จะเอามันจากที่มีอยู่ที่เราหากเราปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้นแต่ว่าเราได้ความจริงทำลายความเท็จและเราก็ได้ให้มันเสียหายไปแล้วมันก็มาลายสิ้นไป และความหายนะก็จะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าเสกสรรปั้นแต่งต่ออรรถและเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อยู่หน้าที่พระองค์คือมาลิกะ พวกเขาจะไม่ลำพองตอนในการเคารพพักดีต่อปรุงและพวกเขาจะไม่เบื่อหน่ายพวกเขาจะแท้ซองสะดุดีปรุงทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะอัน خ ذ و ا آلهَ تَمْنَ ا มْ أ َ ر ْ ض ِ ه ُ م มยุนชิร و น แต่ถ้าว่าพวกเขาพวกบูาชาเวตโดยยึดถือเอาบรรดาพระเจ้าจากพื้นดินโดยคิดว่าพวกมันสามารถจะให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้กระนั้นหรือ ا, หากในชั้นฟ้าและแผ่นดินมีพระเจ้าหลายองค์ นอกจากอัลลอฮ์แล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งบัลังทรงมหาบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้นพระองค์จะไม่ทรงถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติเขาต่างหากที่จะถูกสอบสวน <c oughs> S <S วพวกเขาได้ยึดถือเอาบรรดาพระเจ้านอกจากพระองค์กระนันรึจงกล่าวเถิดมวฮัมมัด ว่าขอให้พวกเจ้านาหลักฐานของพวกเจ้ามานี่คือคำพีที่อยู่กับฉันคืออันกุรอห์และคำพีที่มีอยู่ก่อนหน้าฉันคือเตารอดและอินยินแต่ถ้าว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงพวกเขาจึงปิดหลังให้ และเราไม่ได้ส่งศาสนาูตดคนใดมาก่อนหน้าพวกเจ้านอกจากเราได้องค์การแก่เขาว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดและพวกเขาพวกตั้งพาคีกล่าวว่าพระผู้ทรงตรุนาทรงยึดเอามาลายกาเป็นพระบุตรพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แต่ว่าพวกเขามาลายกาเป็นบ่าวผู้มิเกียร์ พวกเขาจะไม่ชิงกล่าวคำพูดก่อนพระองค์และพวกเขาจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาและพวกเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทยัยและเนื่องจากความกลัวพวกเขาจึงเนื้อตัวสัง่ง และผู้ใดในหมู่พวกเขาคือมาเลาย์กาที่กล่าวว่าแท้จริงฉันคือพระเจ้าอื่นจากพระองค์ดังกล่าวนั้นเราจะลงโทษเขาด้วยนรกเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้อาธรรม วล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดรอกหรือว่าแท้จริงบรรดาชั้นฟ้าและัผ่นดินนั้น แต่ตอนนี้รวมติดเป็นนันเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันและเราได้ทําให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ําดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือและเราได้ทําให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดิน เพื่อมันจะได้มิหวั่นไหวไปกับพวกเขาและเราได้ทําให้หุบเขาเป็นทางกว้างไปในแผ่นดินนั้นเพื่อว่าพวกเขาจะได้สัญจรไปมาได้อย่างถูกต้องและเราได้ทําให้ชั้นฟ้าเป็นหลังคาถูกรักษาไว้ไม่หล่นลงมา และพวกเขาก็ผินหลังให้สัญญาณต่างๆของมันและพระองค์ผู้ทรงสร้างกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่และหน่วยโคจรตามจัก และเราไม่ได้ทำให้บุคคลใดผ่อหน้าเจ้าอยู่ยั่งยืนนานหากเจ้าตายไปพวกเขาจะมีชีวิตคงอยู่ตลอดไปขนาดนั้นหรือ ทุกชีวิตย่อมลิมรสแห่งความตายและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดีและพวกเจ้าจะาต้องกลับไปหาเราอย่างแ น, นง่นอน อาาลลลรรและเมื่อบรรานาันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาชาวมักกะพกเห็นเจ้าพวกเขาก็จะถือเอาเจ้าเป็นพี่ล้อเลียนคนนี้นะหรือที่กล่าวตำหนิพระเจ้าของพวกเจ้าทั้งๆ ท, ที่พวกเขากล่าวตำหนิพระเจ้าทรงกรุณาโดยพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา إن ان ي ي มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรีบร้อนข้าจะแสดงสัญญาณต่างๆของข้าให้พวกเจ้าได้เห็นฉะนั้นพวกเจ้าอย่าได้เร่งข้าเลย และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านผู้สรัาเป็นผู้พูดจริงหากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทารู้ว่า พวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันไฟจากทางด้านหน้าของพวกเขาและจากทางด้านหลังของพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่ามันจะมาถึงพวกเขาโดยไม่ทันรู้ตัวและจะทำให้พวกเขาตกใจ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะผลักดันให้พ้นไปได้และพวกเขาก็ไม่อาจจะประวิงเวลาต่อไปได้และโดยแน่นอน บรรดาศาสนาทูตก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเย้ยหยันมาแล้วแล้วการลงโทษได้ประสบแก่บรรดาผู้ที่เย้ยหยันต่อบรรดาศาสนาทูตในสิ่งที่พวกเขาได้เย้ยหยัน่กล่าวเถิดมุฮัมมัด ว่าใครเล่าจะปกป้องพวกเจ้าในเวลากลางคืนและกลางวันจากพระผู้ทรงกรุณาได้แต่ถ้าว่าพวกเขาเป็นผู้ผิดหลังให้การอบริกถึงพระผู้อภิบาลของพวกเขาอมละหุม آ ลิฮัทุนจนั่วมินดูนนาลายัตกี عون น ص รอันคุ س ิ่มวัลาหุมมินนายุสหบู น, น หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าหลายองค์นอกจากเราคอยปกป้องพวกเขาทั้งทงที่พระเจ้าเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองและไม่สามารถป้องกันตัวเองให้พ้นจากการลงโทษของเราได้มมมม น, นา ออานนัุ ال แต่ถ้าว่าเราได้เกือให้ความสุขสำราญแก่พวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขาจงกระทั่งพวกเขามีอายุยั่งยืนพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริง เราได้มายังแผ่นดินเพื่อทำให้มันคับแคลบลงจากขอบเขตของมันแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ชนะอีกหรืออทนนมานคราวเถิดมุฮัมมัด ว่าแท้จริงฉันเพียงตักเตือนพวกเจ้าด้วยองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องเมื่อพวกเขาถูกตักเตือน ถ้าหาการลงโทษเพียงเล็กน้อยจากพระผู้อภิบาลของเจ้าประสบกับพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่าโอ้ความหายนะของเราแท้จริงเราเป็นผู้อธรรม และเราจะกั้งตระชทูที่เที่ยงธรรมสำหรับวันพารโลกแต่นั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอาธรรมเลยและแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเล็กๆ เ, เ, เราก็จะนำมันมาแสดงและเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเราที่จะเป็นผู้ชำระสอบสืบ วและแท้จริงเราได้ประทานคำภีเตาร้อนที่แยกระหว่างความจริงกับความเท็จให้แก่มูซาและฮารุและเป็นดวงประทีปและ้อตักเตือนสำหรับบรรดาผู้ยำเฟ บรรดาผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อธิบาลของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่เห็นพระองค์และพวกเขาก็ยังวันกลัวต่อวันอวสานอีกด้วยว และนี่คือข้อตักเตือนที่จำเริญอัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานมันลงมาและพวกเจ้าจะยังปฏิเสธมันอีกหรือ และโดยแน่นอนเราได้ความเฉลียวฉลาดแก่อิบราฮีมแต่ครั้งก่อนโดยที่เรารู้จักเขาดี ه ه ขณะที่เขากล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่ารูปปั้นอะไรกันนี่ ที่พวกเจ้าเฝ้าบูชากันอยู่พวกเขากล่าวว่าเราได้พบเห็นบนรรพบุรุษของเราเป็นผู้สการะบูชามันมากวาวกวอาเขากล่าวว่าโดยแน่นอนพวกเจ้า และบรรพบุรุษของพวกเจ้าอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งผู้เขากล่าวว่าเจ้าได้นำความจริงมาเสนอแก่เราหรือเจ้าเป็นเพียงคนหนึ่งในหมู่ผู้ล้อเล่นกู้เขาล่าวว่าเจ้าได้นำความริงมาสนอแก่เราหรือเจ้าเปีฟะตนหนึ่มน ข้อกล่าวว่าแต่ที่จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าคือพระผู้อภิบาลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผนดิซึ่งพระองค์ทรงดรมิตรมันและฉันเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เป็นพยานในเรื่องนี้ AH และขอสาบานต่ออัลลอฮแท้จริงฉันจะวางแผนต่อต้านรูปปั้นทั้งหลายของพวกเจ้าหลังจากที่พวกเจ้าได้ผินหลังกลับออกไปแَ ج ว ع อ ل า ه ُ م ْ ج ُ د ا ั ا د อ ا إِلَّا ิَ ب ِ ي ر ً ا ل َแผนต่อต้านรูปปั้นทั้งหลายของพวกเจ้ลที่ ดังนั้นเขาได้ทำให้มันพินาศเหลือไว้เพียงรูปปั้นตัวใหญ่สำหรับพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะได้กลับไปสอบถามมันพวกเขากล่าวว่าใครกระทำเช่นนี้กับพระเจ้าของเราแท้จริงเขาผู้นั้น อยู่ในหมู่คูณอธรรมอย่างแน่น่ะพวกเขากล่าวว่าเราได้ยินเด็กหนุ่มคนหนึ่งกล่าวตำนิดรูปปั้นเหล่านี้เขามีชื่อว่าอิบรอฮีมพวกเขากล่าวว่า พวกเจ้าจงนำเข้ามาทำกลางสายตาของประชาชนหวังว่าเขาทั้งหลายจะได้เป็นพยากยรูพวกเขากล่าวว่าเจ้าเป็นผู้ทาเช่นนี้กับพระเจ้าของเราขระนั้นดือ อบ ย, อยกล่าวว่าแต่ว่าพระเจ้าองค์ใหญ่ของพวกนี้ต่างหาเป็นผู้กระทา ม, มันพวกเจ้าจงถามพระเจ้าเหล่านั้นสิ หากพวกมันพูดไดไ้ดังนั้นพวกเขาจึงกลับมาคิดถึงตัวของพวกเขาเองแล้วกล่าวขึ้นว่าแท้จริงพวกเจ้านั่นแหละเป็นผู้อธถรร ขวานศีรษะของพวกเขาก็ก้มลงมาอยู่ในสภาพขอตกแล้วกล่าวว่าเจ้าอิบรอฮิม ก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารูปปั้นเหล่านั้นพูดไม่ได้ชิเขากล่าวว่าพวกเจ้าเคารพพักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ที่มันไม่ให้คุณแก่พวกเจ้า และไม่โทษแก่พวกเจ้าแต่อ ย, ย่างใดเลยกระนั้นรือเป็นที่น่ารังเกียจแก่พวกเจ้าและสิ่งที่พวกเจ้าเคารพบูชาอื่นจากอัลล์พวกเจ้าไม่มีสติปัญญาหรื อ, อ พวกเขากล่าวว่าจงเผาเขาเสียและจงช่วยเหลือบรรดาพระเจ้าของพวกเจ้าหากพวกเจ้าการะทมเช่นนั้นก น, าา น, านุบมอบรมเราอัลลอฮ์กล่าวว่าไฟเอ๋ยจงเย็นลง และความปลอดภัยแก่อิบรอฮิมเถิดและพวกเขาปรารถนาที่จะวางแผนร้ายแก่เขาแต่เราได้ทำให้พวกเขาประสบกับความสูญเสียมากยิ่งกว่าและเราได้เขาอิบรอฮีมและลูท รอดพ้นไปสู่แผ่นดินซึ่งเราได้มีความจำเริญในแผ่นดินนั้นแก่บรรดาชาติต่างๆและเราได้บุรชื่ออิสฮะแก่เขาและยากูปหลานเป็นการเพิ่มภูนทั้งหมดนั้นเราได้เป็นคนดีมีคุณธรรม แล้วเราได้แต่งตั้งให้พวกเขาเป็นผู้นำเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องโดยคำสั่งของเรา และเราได้องค์การแก่พวกเขาให้ปฏิบัติความดีและปฏิบัติละหมาดแล้วบริจาคยากรและพวกเขาก็เป็นผู้เคารพทักดีต่อเราเท่านั้นุ และลูดนั้นเราให้เขาเป็นนบีและให้วิชาวความรู้แก่เขาและเราได้ให้เขารอดพ้นจากหมู่บ้านนั้นซึ่งชาวบ้านได้กระทำความชั่วแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าเลวทราม ال และเราได้เขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงเขาเป็นคนหนึ่งในหมู่คนดีและตรงรำลึกถึงเรื่องราวของนัวเมื่อเขาได้ขอต่อลอ ก, ก่อนหน้านั้น และเราได้ตอบรับการขอแก่เขาและเราได้ช่วยให้เขาและพักพวกของเขารอดพ้นจากความทุกยากอันใหญ่ลวงและเราได้ช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากกลุ่มชนที่ปฏิเสธต่อบรรดาองค์การของเรา แต่จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ชั่วช้าแล้วเราได้ให้พวกเขาทั้งหมดจมน้ำตายและจมรำลึกถึงเรื่องราวของดาวูดและสุไลมานเมื่อเขาทั้งสองได้ตัดสินในเรื่องไร่นาะ เมื่อฝูงแกะของกลุ่มชนได้หลบเข้าไปกินพืชในเวลากลางคืนและเราเป็นพยานต่อการตัดสินของพวกเขาดังนั้น เราได้โดนใจให้สุไลมานเข้าใจการตัดสินใจนั้นและเราได้ความเฉลียวฉลาดและวิชาความรู้ที่หลักแหลมแก่แต่ละคนและเราได้ทำให้ภูเขาและนกแซ่ซ้องสะดุดีร่วมกับดาวูดและเราเป็นผู้กระทมสิ่งเหล่านี้ และเราได้สอนเขาดาวุดให้รู้การทำเสื้อกเกราะสำหรับพวกเจ้าเพื่อป้องกันเจ้าจากการรบพุ่งกันและพวกเจ้าจะเป็นผูน้กระทำดูรู้ขุนบ้างใหม่วิุาน บ, ลลบานา ها, ค และสำหรับสุัลมานเราได้ทำให้ลมกลายเป็นพายุตามคำบัญชาของเขาไปยังดินแดนซึ่งเราได้มีความจเจริญณทพี่นั้นและเราเป็นผู้รอบรู้ทุกสิ่งและเราได้ชัยตอนบางตัวดำน้ำให้สุัลมาน และพวกเขาทำงานอื่นจากนั้นและเราเป็น ผ, ผู้ปกป้องคุ้มครองพวกเขาเหล่านั้นและจงรำลึกถึงเรื่องราวของอายุเมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าแท้จริงฉันนั้นความทุกข์ยากได้ประสบแก่ฉัน และพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงเมตตายิง่งในบรรดาผู้เมตตาทั้งหลายจัันน เราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาและเราได้ปลดปลื้มสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากแก่เขาและเราก็ได้ให้ครอบครัวแก่เขาและเช่นเดียวกับที่เขาได้เคยมีมาก่อนเช่นบุตรและพวกพ้องเป็นความเมตตาจากเราและเป็นข้อตักเตือนกับบรรดาผู้เคารพภักดี และจงระลึกถึงเรื่องราวของอิสมาอิลและอิดอริษและซาลกิทลีแต่และคนอยู่ในหมู่ผู้อดทนและเราได้พวกเขาเข้าอยู่ในความเมตตาของเราแท้จริงพวกเขาอยู่ในหมู่คนดี وَذَنُونِ ا ذ َ ه َ ب َ مُغاضِبًا ف َ ظ َ ن أ َ ل ن ن ق ُ د ِ ر ع َ ل َ ي ْ ه فَظَنَّ أ َ ل ن ن َّ ق ُ د ِ ر عَلَيْهِ فَنَادَى فِي ا ل ظ ُ ل م ا ت ف َ ن ا د َ ى فِي ا ل ظ ُ ل م ا ت ِ أ ل ا ان ك, إن และจงรำลึกถึงเรื่องราวของสันนูลนบียูนุสเมื่อเขาจากไปได้วยความโกรธพักพวกของเขาแล้วเขาคิดว่าเราจะไม่ทำให้เขาได้รับความลำบากแล้วเขาก็ร้องเรียนท่ามกลางความมืดเหมือนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่าน พระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้อาธรรมทั้งหลายดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนของเขาและเราได้ช่วยให้เขารอดพ้นจากความทุกข์ระทมและเช่นเดียวกันนี้เราช่วยบรรดาผู้ศรัทธา และจงดำลึกถึงเรื่องราวของ zekaria เมื่อเขาได้ร้องเรียนพระผู้อภิบาลของเขาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยฉันอยู่อย่างเดียวดาย และพรุอเท่านั้นเป็นผู้สืบทอดมรดกที่ดีที่สุดแต่จริญรุ่งเรืองและเาเจริญรุ่งเรืองเราเป็นเจ้าองภรรยาของเราพวกเขาเป็นคนที่รีบเร ه งในสิ ن งที ا ดีและเยกร้องให้เราตบรัะตอบรบและยกร้องให้เราตบรัะตอบรบะกานร ดังนั้นเราได้ตอบรับการร้องเรียนแก่เขาและเราได้ประทานบุตรแก่เขาคือย่าญาและเราได้ปรับปรุงแก้ไขภริยาของเขาให้เป็นปกติแก่เขาคือหายจากการเป็นมันแท้จริงพวกเขาบรรดาศาสนาแข่งขันกันในการทําความดีและพวกเขาวิงวอนขอเราด้วยความหวังในความเมตตาของเราและด้วยความกลัวต่อการหลงทุ่ม และพวกเขาเป็นผู้สำรวมตัวต่อเราและจงรำลึกถึงสตรีที่รักษาความบริสุทธิ์ของนางเอาไว้แล้วเราได้เป่าวิญญาณของเราเข้าไปในนาง และเราได้ทำให้นางและบุตรของนางเป็นสัญญาณหนึ่งแก่สากลโลกอินิอุมมะตุุมุมมะัวิดววะนบคุะบุแท้จริงนี่คือประชาชาติของพวกเจ้าซึ่งเป็นประชาชาติเดียวกันและข้าเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเถิดและพวกเขาได้แตกแยกกันในเรื่องของาศาสนาระหว่างพวกเขากันเองทั้งหมดนี้จะเป็นผู้กลับไปหาเราแต่ไม่ทมิลุสัตย์ิละผู้มุมันจะไม่ถกฟรานลิสัย ดัินั้นผู้ใดประกอบความดีโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทาสำหรับความอุสาหะของพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธและแท้จริงเราเป็นผู้บันทึกไว้แล้วสำหรับเขา ه ه และเป็นที่ต้องห้ามแก่ชาวตาบลที่เราได้ทำลายมันแล้วว่าแน่นอนพวกเขาจะไม่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีก จนกระทั่งเมื่อยะยุศและมะยุดถูกปล่อยออกมาจากกำแพงและพวกมันจะหลังไหลกันลงมาจากทุกคิศทาง。 และเมื่อสัญญาแห่งความจริงได้ใกล้เข้ามาขณะนั้นเรื่องของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาคือสายตาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะจ้องเขม่งแล้วกล่าวว่าโอ้ความหายนักของเราแน่นอนยิ่งเราอยู่ในความหลงหลืมนี้ยิ่งกว่านั้นเรายังเป็นผู้อาธรรมจิต ด, ด้วย Inna kum wa ma ta'budoon min duni illahi asad jannah แท้จริงพวกเจ้าพวกบูชาเจเวตและสิ่งที่พวกเจ้าขครพบูชาอื่นจากอาลัลลอทั้งหมดนั้นเป็นเชียอเพลิงของนรกโดยที่พวกเจ้าจะเข้าไปอยู่ในนั้น หากมันเหล่านั้นเป็นพระเจ้าจริงแล้วมันจะไม่เข้าไปอยู่ในนั้นและทั้งหมดจะเข้าอยู่ในนั้นตลอดไปสำหรับพวกเขาในนรกนั้นมีแต่เสียงควรครางและพวกเขาในนรกนั้นจะไม่ได้ยินมันเลยอนลหา แท้จึงบรรดาผู้ที่ความดีจากเราได้ประสบกับพวกเขามาก่อนนั้นชนเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ห่างไกลาจากมัน ها, วพวกเขาจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแผ่วเบาของมันและพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์ตลอดกาลตามที่จิตใจของพวกเขาปรารถนา ة ه ى ي ความตื่นตระหนกอันยิ่งใหญ่จะไม่ทำให้พวกเขาเศร้าสศกและมาไลากะจะพบพวกเขาแล้วกล่าวว่า นี่คือวันของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ วันที่เราจะม้วนฟ้าประหนึ่งการม้วนแผ่นกระดาษสำหรับการบันทึกดัง่งเช่นที่เราได้มีการบังเกิดในครั้งแรกเราใช้มันกลับเป็นขึ้นมาอีกเป็นสัญญาผูกพันกับเราแท้จริงเราเป็นผู้กระทำอย่างแน่นอน แต่ถ้าจริงนั้นเราได้บันทึกไว้ในคัมภีอัลกุรอารหลังจากที่เราได้บันทึกไว้ในลัลมาฟูดว่าแผ่นดินนั้นพวงบ่าวของเราที่ดีมีคุณธรรมจกเป็นผู้สืบมดรดกมัน แท้จริงในการกล่าวไว้เช่นนี้เป็นการเพียงพอสำหรับกลุ่มชนที่เคารพพักดีต่อไปหรอกและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใดนอกจากเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลายลออออุ ลนุุมมสิูทรงกล่าวเถิดมอมัตว่าแท้จริงฉันได้รับองค์การมาให้ประกาศว่าแท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้นคือพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นพวกเจ้ายังไม่ได้นอบน้อมอีกหรือกน่ ล, ลาวาววจจะุสั إ أ ่ากพวกเขาผิดหลังให้ก็จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าฉันได้ประกาศให้พวกเจ้าทราบแล้วโดยทั่วกันและฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเจ้าถูกฉันยาวไว้นั้นจะอยู่ใกล้หรือไกลอินนหูย์ย์แกลมุลเจฮ์รมินะล์ูวลมุมมาตุัตุมุน ถ้าจิงพระองค์ทรงรอบรู้คำพูดที่เปิดเผยและทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้าปิดบังเอาไว้และฉันก็ไม่รู้หวังว่าการประวิงเวลาจะเป็นการทดสอบแก่พวกเจ้า และอาจจะเป็นการร่าเรินไปชั่วขณะหนึี้เข้ามุหัมมัดกล่าวว่าโอ้พระผู้อธิบาลของฉันขอปรงทรงตัดสินแก่เราได้ความจริงและพระผู้อธิบาลของเราคือพระผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงถูกขอให้ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวหา